ต่อมาเขาละทิ้งกองโพคสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวะพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตสิกขาและสาชีพของภิกษุ ภิกษุนั้นบวชแล้วอย่างนี้ถึงความเป็นผู้มีสิขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายคือ 1. ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์คือวางทันทาวุฒและสตราวุฒมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 2. อละเว้นขาดจากการถึงเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้คือรับเอาแต่สิ่งของที่เขาให้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 คือพูดแต่คำไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใครพอใจ 7. ละเว้นขาจากการพูดเพอเจ้อคือพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินยัยพูดคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่การเวลา 8. เว้นขาจากการพราพืชจะคามและภูตคาม 9. ชั้นมื้อเดียวไม่ชันตอนกลางคืนเว้นขาจากการฉันในเวลาวิการสิบเว้นขาจากการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีและดูการละเล่นที่เป็นค่าสึกแก่ขุสนสิบเอ็ดเว้นขาจากการทัดส่งประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเครื่องประทินผิว อันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัว 12. เว้นขาจากที่นอนสูงใหญ่ 13. เว้นขาจากการรับทองและเงิน 14. เว้นขาจากการรับธัญญาหารดิบ 15. ห้เว้นขาจากการรับเนื้อดิบ 16. หเว้นขาจากการรับสตรีและปูมารี 17. เว้นขาจากการรับทาตหญิงและทาตชาย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 ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจากขุนสีถึงความสำรวมในจากขุนศีฟังเสียงทางหูแล้วดวมกลิ่นทางจมูกแล้วลิ้มรสทางลิ้นแล้วถูกต้องโพธพะทางกายแล้วรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสมรวมมนินศี ซึ่งเมื่อไม่สำมรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศุลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษามนรีสีถึงความสำรวมในมนรีสีเธอประกอบด้วยอริยอินสียสังวรเช่นนี้แล้วย่อมสวยสุขอันไม่ระคัด้วยกิเลสในภายในภิกษุนั้นทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคูเข้า การเหยียดออกการครองสังคาติบาทและจีวรการชันการดื่มการเคี้ยวการลิม้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการนิ่งภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันอริยะอินซียสังวรและอริยะสติสัมชัญญะแล้ว พักอยู่ณเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางเธอกลับจากปินทบาตภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอละอภิชาความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขาในโลกมีใจปราศจากอภิชา ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาและความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทและถีนมิทะความหดหู่และเสื่อมซึมมีจิตปราศจากถีนมิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทะ ละอุทจกักปุกปุจจะความฟุ้งซ่านและรําคาญใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบภายในชํมระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจักุกปุจจะละวิจิ ก, กิจฉาความลังเลสงสัยข้ามพ้นวิจิ ก, กิจฉาได้แล้วไม่มีความสงสัยในคุโสธรรมทั้งหลายอยู่ชํมระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิ ก, กิจฉาเธอละนิวรณ์หประการนี้ที่ทําให้จิตเศร้ามอง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 ความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้จะตุทะชาญอีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัติและโทมณัตดับไปก่อนภิกษุบรรลุจะตุทะชาญที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์พระอุเบกขาอยู่ภิกษุทั้งหลายความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้ ถ้าจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมออาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อปุกเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้างสองชาติบ้างสมชาติบ้าง4ี่ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง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 จุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันณนะมีอาหารสวยสสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายความพยายามที่มีผล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 มีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็น <PUB> ผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกแต่หมูสัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมนนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์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 ความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายตถาคตมีวาทะอย่างนี้คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมา1ิบประการของตถาคตผู้มีวาทะอย่างนี้ จึงเป็นเหตุให้ได้รับการสรรเสริญภิกษุทั้งหลายคือ 1. ถ้ามูสัตสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ําไว้ในชาติก่อนตถาคตพึงเป็นผู้ทํากรรมดีไว้ในชาติก่อนแน่จึงเป็นเหตุให้ตถาคตสวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะเห็นปานนี้ในบัดนี้ 2. อถ้ามูสัตสวยสุขและทุกข์ เพราะเหตุแห่งการเนรมิตของพระอิศวรตถาคตพึงเป็นผู้ถูกพระอิศวรชั้นสูงเนรมิตมาแน่จึงเป็นเหตุให้ตถาคตสวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะเห็นปานนี้ในบัดนี้ 3. ถ้าหมูสัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งเคราะห์ตถาคตพึงเป็นผู้มีเคราะห์กรรมดีแน่ จึงเป็นเหตุให้ตถาคตสวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะเห็นปานนี้ในบัดนี้ 4. ถ้าหมู่สัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติตถาคตพึงเป็นผู้มีอภิชาติดีแน่จึงเป็นเหตุให้ตถาคตสวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะเห็นปานนี้ในบัดนี้ 5. ถ้าหมู่สัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบัน ตถาคตพึงเป็นผู้มีความพยายามดีในปัจจุบันแน่จึงเป็นเหตุให้ตถาคดสวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะเห็นปานนี้ในบัดนี้ 6. ถ้าหมู่สัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทําไว้ในชาติก่อนตถาคตพึงเป็นผู้น่าสรรเสริญถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้สวยสุขและทุกขเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทําไว้ในชาติก่อน ตถาคตก็เป็นผู้น่าสรรเสริญ <careers> 7. ถ้าหมู่สัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเนรมิตของพระอิศวนตถาคตพึงเป็นผู้น่าสรรเสริญถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเนรมิตของพระอิศวนตถาคตก็เป็นผู้น่าสรรเสริญ 8. ถ้าหมูสัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งเคราะห์ ตถาคตพึงเป็นผู้น่าสรรเสริญถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งเคราะห์ตถาคตก็เป็นผู้น่าสรรเสริญ 9. ถ้าหมูสัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติตถาคตพึงเป็นผู้น่าสรรเสริญถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติตถาคตก็เป็นผู้น่าสรรเสริญ 10. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์ เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันตถาคตพึงเป็นผู้น่าสรรเสริญถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันตถาคตก็เป็นผู้น่าสรรเสริญภิกษุทั้งหลายตถาคตมีวาทะอย่างนี้คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อต่อกันมาสิประการของตถาคตผู้มีวาทะอย่างนี้จึงเป็นเหตุให้ได้รับการสรรเสริญ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 ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกําหนดขันทรัพยสิ่งส่วนอนาคตมีความเห็นคล้อยตามขันทร์ส่วนอนาคตปรารบขันท์ส่วนอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆคือสมณพราหมณ์พวกหนึ่งประกาศอย่างนี้ว่าอัตตาที่มีสัญญายั่งยืนหลังจากตายแล้ว สมณพราหม์พวกหนึ่งประกาศอย่างนี้ว่าอัตตาที่ไม่มีสัญญายั่งยืนหลังจากตายแล้วสมณพราหมูพวกหนึ่งประกาศอย่างนี้ว่าอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วสมณพราหมูพวกหนึ่งบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความไม่เกิดขึ้นของสัตว์ที่มีอยู่สมณพราหมูพวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบัน รวมความว่าสมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัติอัตตาที่มีอยู่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความไม่เกิดขึ้นของสัตว์ที่มีอยู่บ้างบัญญัตินิพพานในปัจจุบันบ้างว่าท้าแสดงทิฐิเหล่านี้ขยายเป็นห้าประการแล้วย่อเป็นสมประการย่อเป็นสามประการแล้วขยายเป็นห้าประการดังนี้แหล นี้เป็นอุเทศของวาทะแสดงทิฏฐิหประการสหมวดสัญญีวาทะหมวดละ8ภิกษุทั้งหลายในสัญญีวาทะเหล่านั้น สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วคือ 1. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 2. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 3. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 4บัญญัติอัตราที rolling, like well ่มีสัญญามีรูปพวมิใช่ไม่มีรูปพวมิใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 5. บัญญัติอัตราที่มีสัญญามีสัญญาอย่างเดียวกันว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 6. บัญญัติอัตราที่มีสัญญามีสัญญาต่างกันว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 7. บัญญัติอัตราที่มีสัญญา มีสัญญาเล็กน้อยว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างแปดบัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีสัญญาหาประมาณมิได้ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างแต่มีสมณะพรามพหมุกนึงกล่าวยืนยันวิญญาณกสินของอัตตาที่มีสัญญาเหล่านี้ซึ่งล่วงไปแล้วนั่นว่าหาประมาณมิได้ไม่หวนไหวภิกษุทั้งหลาย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 บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 4. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีรูปความิใช่ไม่มีรูปความิใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 5. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีสัญญาอย่างเดียวกันว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างหบัญญัติอัตตาที่มีสัญญา ม, uniform, มีสัญญา Tube. ต่างกันว่า yes. <oth> ยั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 7. บัญญัติอัตราที่มีสัญญามีสัญญาเล็กน้อยว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 8. บัญญัติอัตราที่มีสัญญามีสัญญาหาประมาณมิได้ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างส่วนสัญญาที่บริสุทธ์ยอดเยี่ยมเขากล่าวว่าล้ำเลิศไม่มีสัญญาเอื่นยิ่งกว่าสัญญาเหล่านี้ ทั้งที่เป็นสัญญาในรูปทั้งที่เป็นสัญญาในอรูปทั้งที่เป็นสัญญาอย่างเดียวกันทั้งที่เป็นสัญญาต่างกันสมณพราหม์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอากินจัญญาญาณะหาประมาณมิได้ไม่วันไหวว่าไม่มีอะไรสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่ เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้อาสั ญ, ญีวาทะมวดละสี่กิุทั้งหลาย ในอสัญญีวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วคือ 1. บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญามีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 2. บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 3. บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญา ทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 4. บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญามีรูปก็มิใช่ไม่มีรูปก็มิใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างภิกษุทั้งหลายในอสัญญีวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์ผู้มีอสัญญีวาทะพวกหนึ่งคัดค้านสมณพราหมณ์พวกที่บัญญัติอัตตา ที่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสัญญาเป็นดุดโรคเป็นดุดหัวฝีเป็นดูดลูกศรความไม่มีสัญญานี้แหลสงบปราณีตภิกษุทั้งหลายท้าโคตรู้ทิฐินี้นั้นเป็นอย่างดีสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งบัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วคือหนึ่ง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 ไม่มีรูปก็มีใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่สมณะหรือพรามคนใดคนหนึ่งจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจากบัญญัติการมาหรือการไปการจุติหรือการเกิดความเจริญความงอกงามหรือความภัยบูรณ์เว้นรูปเว้นเวทนาเว้นสัญญาเว้นสังขารเว้นวิญญาณ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 เนวสัญญีนาสัญญีวาทะหมวดละสภิกษุทั้งหลายในเนวสัญญีนาสัญญีวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วคือหนึ่งบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ซึ่งมีรูปว่า ย่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 2. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ซึ่งไม่มีรูปว่าย่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 3. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปว่าย่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างสบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่มีรูปก็มิใช่ไม่มีรูปก็มิใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างในเนวสัญญีนาสัญญีวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์ผู้มีเนวสัญญีนาสัญญีวาทะพวกหนึ่งคัดค้านสมณพราหมณ์ผู้ที่บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้น คัดค้านแม้สมณพราหม์พวกที่บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสัญญาเป็นดุดโรคเป็นดูดหัวฝีเป็นดุดลูกสรความไม่มีสัญญาเป็นความหลงความมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่นี้แลสงบพราณีตภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดี สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วคือหนึ่งบัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาก็มิใช่มีสัญญาก็มิใช่ซึ่งมีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 2. บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาก็มิใช่มีสัญญาก็มิใช่ซึ่งไม่มีรูปว่า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 สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติการเข้าถึงอายตนะนี้ด้วยเหตุเพียงสิ่งที่พึงรู้แจ้งโดยได้เห็นได้ยินและได้ทราบและสังขารการบัญญัติของสมณะหรือพรามเช่นนี้เขากล่าวว่าเป็นความพิหนาของการเข้าถึงอายตนะนี้ความจริงอายตนะนี้บันดิตไม่กล่าวว่าพึงบรรลุด้วยการมีสังขารแต่ท่านกล่าวว่า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 อุเฉทวทตภิกษุทั้งหลายในอุเฉทวาทะเหล่านั้นสมณพราหมเหล่าใดเหล่าหนึง่งบัญญัติความขาดศูญความพินาศความไม่เกิดขึ้นของสัตว์ที่มีอยู่ในอุเฉทวาทะเหล่านั้นสมณพราหมผู้มีอุเฉทวาทะพวกหนึ่งคัดค้านสมณพราหมพวกที่บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้น คัดค<บ> <PTSD> ้านแม้ princess, สมณพราหมุกที่บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้นคัดค้านแม้สมณพราหมูกที่บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสมณพราหม์เหล่านี้แม้ทั้งหมดย่อมถือการเวียนหวในชาติหน้ากล่าวยืนยันความหวังอย่างเดียวว่า เราละโลกนี้ไปแล้วจากเป็นเช่นนี้เราละโลกนี้ไปแล้วจากเป็นเช่นนี้พ่อค้าไปค้าขายย่อมอมีความหวังอย่างนี้ว่าเราจะมีก <ốc> <purpose> <idy> um. ําไรจากการค้าเท่านี้เพราะการค้าขายเที่ยวนี้เราจะได้กําไรเท่านี้ฉันใดสมณะพราหมณ์เหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นจะหวังกําไรกลับคืนเหมือนพ่อค้าว่าเราละโลกนี้ไปแล้วจากเป็นเช่นนี้ เราละโลกนี้ไปแล้วจะเป็นเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีสมณพราหมูที่บัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความไม่เกิดขึ้นของสัตว์ที่มีอยู่เป็นผู้กลัวสักกายะรังเกียสักกายะวนเวียนไปตามสักกายะอยู่นั่นเองเปรียบเหมือนสุนัขที่เขาใช้โซ่ล่ามผูกไว้ที่เสาหรือที่หลักอย่างมั่นคง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 จึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งกําหนดขันส่วนอนาคตมีความเห็นคล้อยตามขันส่วนอนาคตปราโรคขันส่วนอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆหลายประการสมณะพรามเหล่านั้นทั้งหมดประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆหประการนี้เท่านั้น หรือประกาศส่วนใดส่วนหนึ่งของวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆห้าประการนี้วาทะแสดงทิฏฐิเกี่ยวกับขันส่วนอดีต16ภิกษุทั้งหลายมีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งกำหนดขันส่วนอดีต มีความเห็นคล้อยตามขันสวนอดีตปรารบขันส่วนอดีตประรรปรากาศวาทะแสดงทิฏฐิ ต, ต่างๆคือหนึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเทีเ่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 2. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกไม่เทีเ่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงส สมณพราหม์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทั้งเที่ยงและไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสสมณพราหม์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกที่อย่างก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 5. สมณพราหมูพวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีที่สุด นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 6. สมณพราหมณ์ผูกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอ eh. ัตตาและโลกไม่ <disasters> wow. มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 7. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทั้งที่สุดและไม่มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 8. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่า อัตาและโลกมีที่สุดก็มีใช่ไม่มีที่สุดก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเก้าสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตาและโลกมีสัญญาอย่างเดียวกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 10. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอาตาและโลกมีสัญญาต่างกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง สิบเอ็ดสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอาตาและโลกมีสัญญาเล็กน้อยนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสิบสองสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอาตาและโลกมีสัญญาหาประมาณมิได้นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสิบสามสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าว like ยืนยันอย่างนี้ว่า อาตาและโลกมีสุขอย่างเดียวนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสิบสี่สมณะพราหมูพวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอาตาและโลกมีทุกอย่างเดียวนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสิบห้าสมณะพราหมูพวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอาตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงห สมณพราหมพวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตาและโลกมีทุกข์ก็มิใช่มีสุขก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงภิกษุทั้งหลายในวาทะเหล่านั้นสมณพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึง่งซึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตาและโลกที่อย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเป็นไปไม่ได้เลยที่ยานเฉพาะตนอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง ซึ่งเป็นธรรมอื่นจากความเชื่ออื่นจากความชอบใจอื่นจากการฟังตามกันมาอื่นจากการตรึกตามอาการอื่นจากการเข้าแด้กับทฤษฎีที่พินิษไว้จะมีแก่สมณพราหมณ์เหล่านั้นได้ภิกษุทั้งหลายเมื่อไม่มีญาณเฉพาะตนอันบริสุทธิ์ผุดพองสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยึดถือเพียงส่วนแห่งความรู้เท่านั้นในเรื่องนั้นแม้ส่วนแห่งความรู้นั้นบัณฑิตกล่าวว่า